อตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีการบวชมันเป็นประเพณีอันหนึ่งของมนุษย์โลกตั้งแต่นห้นแต่ไรมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดในโลกมนุษย์ผู้เห็นโทษในกาม ทั้งหลายแล้วพอพากันสระบัานเรือนออกไปบวชอยู่ในป่าส่วนมากในประเทศอินเดียท่านในป่าหิมมพานป่าหิมพานเป็นที่อยู่ของพวกฤาษีทีไพรโหเห็นโทษในกรรมทั้งหลายแม่พระโพธิสัตว์ก็ไปบวชอยู่ในที่นั้นแหละ พระพายพระพานตามตำราท่านกล่าวว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยผนมากลากไม้ต่างๆสมัยนั้นคนก็ไม่มากมาลงพงใครได้ก็มีมาก เหมาะสำหรับผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติผู้บำเพ็ญฌานสมาบัตินี้ต้องแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดจึงจะเพ่งฌานให้เกิดขึ้นได้เมื่อสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามาบาังเกิดขึ้นในโลก มันก็มีผู้ออกบวชตามพระ อ, องค์เป็นจำนวนมากบางยุคบางสมัยก็เป็นจำนวนหลายแสนเป็นล้านล้านก็มีพระพุทธเจ้าบางพระ อ, องค์มีบริวารมากผู้หญิงก็เป็นนางภิษกษุณีก็ปรากฏมีอยู่ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งๆเพราะว่าผู้หญิงถึงบำเพ็ญบุญบารมีมาแก่กล้าแล้วบางคนก็มีนิสัยชอบบวชมาแต่ในอดีตมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็พากันยินดี ออกบวช ด, ดังนั้นความเป็นนักบวชนี่ไม่ใช่มีแต่พวกเราให้นึกทบทวนดูให้ดีไม่ว่ายุคใดสมัยใดถ้าบุคคลผู้ใดมาเห็นโทษแห่งการ ม, มคุณเห็นโทษแห่งการครองเรือนเห็นว่าการครองเรือนนี่มันเป็นทุกข์ มันทำให้คนเราทำบาปทำบาปห้าอย่างนั่นแหละฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมรัยเป็นเครือห่าดนี้เว้นได้ยากเพราะว่าคนหมู่มากมันลากไปไม่ ดื้มไม่กินก็เขาก็ไม่ได้ดังนั้นมีแต่ความเป็นนักบวชนี่แหละชีวิตนั้นถึงจะสดใสดีเพราะว่านักบวชนี่ถ้านักบวชที่ดีแล้วก็จะต้องเคารพต่อธรรมถวินัยจริงๆไม่ล่วงเกิน เพราะฉะนั้นอ่ะผู้ใดมีศรัทธาได้เข้ามาบวชก็ต้องให้นึกว่าพิจารณาเห็นว่าเราต้องเห็นโทษแห่งการคลองเลือนจึงมาบวชอย่าสักจะว่าบวชตามระเพณีเฉยๆบวชตามระเพณีเฉยๆ มันก็ได้บุญน้อยเดียวเท่านั้นแหละพอจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเท่านั้นไม่นพ้นทุกผู้ที่เห็นโทษแห่งการคลองเรือนแล้วเห็นว่าการเป็นนักบวชนี่มีชีวิตปลอดโปร่งดีเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชแล้ว เมื่อบรรพติบัติตามทำตามวินัยแล้วจัญญามรญญารยาทอ น, นี้มันก็ดีถ้าเคารพต่อพระวินัยเพราพระวินัยในบัญญัติให้ไว้แล้วห้ามโค้นลําขับร้องดีสีตีเป่ากระโดดโลดเต้นแม้แต่วิ่งนี่ก็ยังห้ามห้ามไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆวิ่งไม่ได้นักบวชนี่นะ มีเหตุจำเป็นคือว่าอย่างว่าไฟไหม้บอกหรือว่าคนในวัดเจ็บหนักต้องรีบเอาไปโรงพยาบาลบอกงี้นะหรือว่าสัตว์ ร, ร้ายมันจะเบียดเบียนเอาอันนี้เราวิ่งพ่ายมันอันนี้ทรงอนุญาตเพราะนั่นแหละมารยาของนักบวชนะ เทตันจึงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเป็นนักบวชที่เคารพต่อธรรมอวินัยจริงๆไม่รู้อำนาจเกตัญหาฐานาความทะเยอทยานอยากความเพลิดเพลินความคึกขนองต่างๆโมนีผู้มาเป็นนักบวชแล้วต้อง บัรเทาลงให้ได้ต้องเพียรพยายามละต้องรู้จักสกดจิตของตัวเองตัวเองนั่นแหละห้ามตัวเองดีกว่าผู้อื่นห้ามผู้อื่นห้ามเมื่อตอนไม่ฟังแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไร ทุกคนต้องรู้จักหักข้ามใจตัวเองให้ได้ทุกคนต้องรู้จักทรมานตนจใจคนอื่นกำหนดกฎเกณฑ์ให้ไม่ได้เมืม่อรู้ว่ากิเลสมันหนามากมันจะทำให้เสียหายในพรหมจรรย์อย่างนี้นะ แล้วก็ต้องอดนอนผอนอาหารเข้าไปทำความเพียรไม่เกียดครั้านถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตายเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็อธิษฐานใจอย่างนี้ ผูใดไม่อธิษฐานใจตั้งใจอย่างนี้แล้วก็สู้อำนาจของตันหาไม่ได้เครเข้าใจมันยังเรียกว่าอธิษฐานบารมีนั่นแหละทำอะไรเรต้องอธิษฐานใจลงให้เร็วแน่สัจจะบารมีมันก็เป็นคู่กันละเมื่ออธิษฐานล้วก็ตั้ง ความสัตว์ความจริงใจลงไปทำลงไปไม่ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยเมื่อยล้าไม่กลัวตายเมื่อทำความดีแล้วทำความดีฝึกตนทนทานตนไปแล้วมันจะตายก็ก็ดีที่ตายอยู่ในระหว่างฝึกตนน่ะ เมื่อกดีกว่าตายอยู่ในเวลาที่ไม่ได้ฝึกตนปล่อยให้จิตเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในโลกตายลงไปแล้วจิตวิญญาณก็ห น, นีจากโลกนี้ไม่ได้ก็ ว, วกเวียนอยู่อย่างนี้บางคนมันก็ชอบใจซ้ำถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีดีซิมันจะได้อยู่ใกล้ลกูกใกล้หลานพอ จะได้ดูแลเขาอยู่คนไม่รู้เป็นอย่างนั้นแหละไม่นึกว่าการห่วงใยอะไรมันเป็นทุกข์นึกไม่เห็นเลยนึกเห็นแต่ว่าลูกเราล้านเราหัวเรามีเราแล้วก็ห่วงเมื่อห่วงเวลาจวนจะตาย เมื่อต า, ตายลงไปแล้วจิตวิญญาณมันก็วกเวียนอยู่นั่นแหละวะนี้มันห่วงนี้เรื่องมันนเจ็ุนั้น่มนุษย์จึงไม่มีการบวงสวงมีการไหว้ไหว้เจ้าคนนะเพราะความเขาความเข้าใจของเขาเป็นอย่างนั้นจริงเขาถือว่าบรรพบรุษจิตใจจิตวิญญาณของบรรพบรุษตายแล้วไม่ได้ไปไหน ย่อมโกเวียนอยู่กับลูกกับหลานนี่แหละพอยดูแลเหมือนว่าเี่นันจึงได้ไปสร้างห่วงซุ้ยให้วิญญาณ น, นั่นอยูอ่อันถ้าบางคนก็ปนไปทำยกสารเจ้าขึ้นแล้วก็เชื่อเชิญให้วิญญาณของผู่ย่าตายายบานดาบิดาได้มาอยู่อาศัย อความเข้าใจอย่างนั้นนวนเป็นความเข้าใจผิดของคนดังนั้นนะทุกคนยังไม่ควรเข้าใจผิดอย่างนั้นควรทําบุญกุศลนอุทิศไปให้แก่ปู่ย่าตายายมารดาบิดตาคงสาคนาญาติ ผู้มีคุณอุปการะทั้งหลายที่ละโลกนี้ไปแล้วสู่โลกหน้าเราทำบุญกุศลและอุทิศไปอนุภาพแห่งบุญกุศลนี้ก็สามารถที่จะโดนบันดาลให้ท่านที่มีอุปการะคุณทั้งหลายได้รับรู้ได้อนุโมธนา แล้วก็จะได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในพบที่เกิดนั้นๆบางท่านก็อาจเลื่อนขั้นขึ้นจากพบที่เกิดอยู่แล้วไปเกิดสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเมื่อได้รับอนุโมทนาสูวนบุญกุศลจากโอกลานญาติมิตรที่อุทิศไป บุญกุศลเท่านั้นไปตกแต่งให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีได้มีที่อยู่อาศัยมีผ้าหนุ่งผ้าหม่มบุญกุศลนนธรรมเทยไม่ใช่ว่าเอาไปวางไว้บนหลุมฝังศพหรือเอาไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้แล้วเรียกร้องให้มาเอาไป ตามความเข้าใจของคนส่วนมากว่ากเกิดเป็นอย่างนั้นดังนั้นตายแล้วจึงว่าผ้าหนุ่งผ้าห่มของคนตายเนี่ยเอาเอาไปปาชาด้วยบางรายก็เอาไปเผาด้วยกันเลยโดยเข้าใจเอาเผาไปแล้วผู้เจ้าของผ้านั้นที่ตายไปนั้นจะได้รับ เข้าใจผิดหลายแบบนี้นะความจริงมันไม่มีสิ่งใดจะโดนบันดาลให้ได้อันแบบนั้นนะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งต้ามีตบุญกุศลเท่านั้นโดนบันดาลบุญกุศล น, นินมิตรให้ จึงค่อยได้นุ่งได้ห่มได้อยู่ได้กินเหมือนยังเยะญาติของพระเจ้าพิมีสันที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นเองเนี่ยมันเป็นตัวอย่าง อ, อันจะไปเอาข้าวปลาอาหารไปวางไว้บนหลุมฝังศพอะไรหมูนนั้นเอยให้ผีมันไม่ได้กินหรอกอ อาหารของมนุษย์ไม่ใช่ของผีมันจะกินได้ยังไงอ่ะความเข้าใจของมนุษย์เรามันผิดไปมันถือเอาศาสนาพราหมณ์มาปฏิบัติเรื่องมันดังนั้นพุทธศาสนิกชนควรจะพากันแยกให้ได้แยกให้เป็น พุทธศาสนานั้นสอนให้คนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความเชื่ออย่างนี้จึงถูกทางจึงเป็นทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะมาอำนวยผลให้บุคคลผู้นั้นเป็นมีความสุขมีความเจริญ ในพบในชาติที่เกิดนั่นนั่นเพียงแค่ว่าเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปบวงสวงบูชาเท่านั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะมาอำนวยความสุขให้ไปเข้าใจผิดไปเพราะพวกผีพวกเปรตพวกภูมิเทวดาลุคเทวดา ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับมนุษย์เนี่ยเพื่อนก็มีบุญทางหากเพื่อนก็มีบุญของเพื่อนตกแต่งให้อาหารการกินผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีหรือเพื่อนก็มีบาปของเพื่อนบาปนั่นแหละตกแต่งอาหารเร็วๆให้ได้กินเปรตบางพวกกินเลือดกินเลือดกินน้ำเน่ า, น, าน้ำเหม็น น้ำหนองของตัวเองมนีมันกระบาบกรรมทั้งนั้นแหละดังนั้นมันตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งบาปกรรมแล้วมนุษย์พออยู่เบื้องหลังอะจะเอาอาหารของมนุษย์นี่ไปให้มันกินกินไม่ได้เพราะว่าบาปกรรมมันบังคับไว้อืม ต้องเข้าใจให้มันถึงความจริงอย่างนี้คนส่วนมากนะมักจะเชื่อตามๆกันมาเฉยๆไม่ได้พิจารณาดูเหตุผลมเมื่อผูท้ที่ตั้งรับที่อันนี้ขึ้นมาเป็นคนหลงคนเมา เห็นผิดเป็นชอบผู้ตามหลังก็เห็นผิดไปตามกันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่นะต้องเทศาณาให้มันเห็นแจ้งอย่างนี้อย่าได้ลังเลลทัทิหมู่นี้นะบางคนบวชเข้ามาแล้ว สึกออกไปเขาไปถือผีกับเขาอีกนล้วเนี่ย่าตผพี่น้องพ่อแม่พาทําไงก็ทําตนเองพขวบวชเข้ามาแล้วไม่ได้สนใจในคำสอนของพุทธเจ้าอยู่เฉยๆตำรับตำรามีก็ขี้เกียจ ด, ดูอ่านบางคนก็ขี้เกียจฟัง คำสองก็ะพุทธเจ้าสิครูวาอาจารย์นำมาแสดงให้ฟังหาทางหลบหลีกไม่สนใจอยากฟังเลยเพราะฉะนั้นศึกออกไปมันก็จึงออกไปเป็นคนหลงคนมาอยู่เหมือนเดิมนะไม่แตกต่างอะไรหรอกการบวชอยู่กับการศึกไปก็ดีคนผู้ไม่สนใจในการฟัง อย่าไปนึกว่าเรื่องเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องรู้อย่าไปนึกอย่างนั้นอันเรื่องอย่างนี้แหละถ้าไม่รู้ละมันพาให้หลงหลงทางเดินของชีวิตไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวงสรวงพูดพีปีช า, เ ด, าดเทวดานุกกัตเทวดาอะไรโตอะไร มือนี้นะมันก็สร้างบาปสร้างกรรมจะว่าไม่สำคัญอย่างไรอ่ะความเห็นอย่างนี้อ่ะถ้าผู้ใดามาเห็นแจ้งตามคำสอนของพระติเจ้าดังกล่าวมาแล้วบวชอยู่ก็รู้เนถ้อท้ า, าก็อยู่นานไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนแล้วก็จะได้หยิบยกมาสอน ให้เขารู้แนวทางที่ถูกต้องไม่ให้เขาเดเนินทางไปในทางที่ผิดถ้าอยู่ไม่ได้ซึกออกไปอ่าก็จะได้นำญาติพี่น้องชาวบ้านให้เดินตามทางที่ถูกต้องทักจุงแนะนําให้เขาเว้นจากทางผิดต่างๆหมู่นั่น อันนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจผู้บวชเข้ามาแล้วนะอย่าเกียรคขานภาวนาสมาธิแล้วก็เมื่อว่างๆก็ดูกำรับตำราตำลาก็ต้องดูเรื่องที่มันเป็นสาระประโยชน์นั้น เดไปเที่ยวดูหนังสือประลมโลกอะไรต่ออะไรไปนูนะ่นบหนังสือที่ท่านพิมพ์ออกมาเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับชีวิตดำเนินที่ถูกทางต่างๆนานามไม่สนใจอยากจะดูอยากจะฟังคนกู้บวกเข้ามาส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะ เพราะเหตุั้านถึงไม่มีความรู้อะไรนั่นแหละดังนั้นเราควรพากันตื่นตัวตำหรับตำราท่านพิมพ์มาให้มันดีแล้วเรียบรนะ้อยแล้วเราก็เลือกอ่านเลือกดูเอาสิตำราอันใดที่ท่านแสดงมันเป็นหนทางคนทุกข์เราก็วินิจฉัยดูให้มันได้ เราการดูเข้าไปหลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจได้เราจะไปดูเล็กๆน้อยๆครั้งเดียวสองครั้งแล้วจะให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางคนก็วาสนาก็ยังน้อยอยู่ยังอ่อนอยู่เพราะนั้นจะไป แสดงตนเหมือนกับท่านผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้านั่นไม่ได้ท่านผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าท่านดูท่านเรียนไปไม่มากท่านก็รู้ได้อืมสมองปลอดโปรงเรียนอะไรก็จำได้ฟังคำสองที่เจ้าก็เข้าใจได้ ให้ผู้มีบุญวัสนาบา ร, รมีแก่กล้าก็เป็นอย่างนั้นแหละผู้ใดมีวัสนาบา ร, รมียังอ่อนอยู่ก็ต้องอาศัยความอดความทนความเพียนดูตำลาบ้งางฟังบ้างแล้วก็ลงมือทำด้วยไม่ใช่ฟังเฉยนั่งสมาธิภาวนาโดยความไม่ประมาท ทำวัดสวดมอนต์อย่างนี้แหละมันก็เป็นกิจวัตรเป็นข้อปฏิบัติขัดเกล้ากิเลสตหาให้เบอบาง อ, อกปจากกิตใจคนที่เกียดครั้นไหวพระภาวนาเช้าเย็นผู้นั้นได้ถือเป็นคนไม่เอาไหนอืม ไม่คิดอยากจะพ้นทุกข์อยากจะนอนสบายบวชเข้ามาแล้วก็ดีคิดบ่นขยันอยากทำก็ทำคิดเกียดคลานมาแล้วก็ไม่เอาไหนไอ้อย่างนี้มันน่าทุเรศจริงๆคนเราอย่างวันนี้เนะี่ยก็เคยพูดให้ฟังอยู่เราเป็นนักบวชนี่นะ ชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านผ้าหนุง่งผ้าหม่มอาหารการขบฉันที่อยู่ที่อาศัยหยุกยาอะไรชาวบ้านเขาประถมบำรุงทั้งนั้นเลยและเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าจะมาเมาะมัวมอตะเกียดคล้านไม่ทำความดีไม่ฝึกตนให้เจริญด้วยคุณธรรม จะเริ่มด้วยบุญด้วยกุศลนี่แล้วจะเอาอะไรมาตอบแทนบุญคุณเขาที่ดูให้เห็นผู้ใดคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็ไม่นิ่งนอนใจแหละเาเรานี่เป็นหนี้บุญคุณของเพื่อนนะเราจะเป็นนิ่งนอนใจไม่ได้มันกระเตือนตนได้เลย คนผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมาผู้ใดเตือนตนได้นำกระขยันหมั่นเพียรเพราะว่ากลัวเป็นหนี้บุญคุณของเพื่อนอืมเดี๋ยวก็จะได้ไปเกิดเป็นคนใช้คนซอยเพื่อนเป็นจริงๆแหละผู้ใดเกียรติข้าน การทำความเพียนจะเป็นกระหัตก็ตามเป็นนักบวชก็ตามไม่ดีทั้งนั้นเลยเป็นกระหัตพ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ อาศัายเ็นอยู่กับพ่อกับแม่จนใหญ่โตก็มีนะคนเรานะแม่ได้มียมาแล้วก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องขออะไรเท่าไรกับพ่อกับแม่มเมื่อไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่โดยลำพังอันนั้นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มี โดยเองไม่ขนขวายไม่แสวงหาเมาแต่เพลิดเพลินมัวเมาเอาแต่การเล่นหาแต่ความสนุกสนานคนอย่างนี้จะตั้งตัวไม่ได้เลยเป็นนักบวชก็เหมือนกันตั้งตัวไม่ได้อาผู้ใดเหินด้แก่ความสุขเล็กๆ็กน้อยน้อย แล้วไม่ภาคเพียนไม่ยามเริกตนให้ยิ่งขึ้นไปเช่นนี้นะชีวิตของนักบวดผู้นักยมเสื่อมไปจะได้เกิดปีติในธรรมในบุญกุศลอันเกิดจากการกระทาของตัวเองไม่มี เช่นนี้แหละใจมันก็จืดชืดจากการบวชการเรียนแล้วอยู่ไม่ได้ผู้ที่พระพฤติพระมารร์จันนี่นะอยู่ได้เพราะเหตุว่าตนประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปเช่นเป็นผู้สำรวมในวิในได้อย่างนี้ ไปนั่งภาวนาพิจารณาดูความประพฤติของตนว่าตนนั่นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยมาจริงจริงไม่ได้ล่วงกะพลังเผลแล้วก็สแสดงอาบัตไปแล้วก็ตั้งสติสำรวมไปใหม่อย่างนี้เมื่อมานั่งภาวนาพิจารณาถึง ความดีที่ตนกระทำด้วยกายโดวยวาจาเราก็ได้ความอิ่มใจขือวัดปฏิบัติการทำความสะอาดในสถานที่ต่งตางๆรู้จักเก็บสิ่งเก็บของให้เป็นที่เป็นทางอะไรมูนี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเมื่อภาวนานแล้วไปนึกถึงความดีที่ตนทำ มันก็ย่อมเกิดความปิติยินดีในกุศลกรรมที่ทนทำนั่นนี่นีนี่เรยว่าจิตใจอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่อยากถึกขาลาเพศไปแล้วเพราะเหตุว่ามันได้รับความสุขความสบายดังนั้นน่ะในไหนเราก็ได้สละบ้านเรือนออกมาบวชแล้ว สละเข้าของเงินทองลาบยศสนเสิญอะไรเขาสละมาแล้วการสละไม่นั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อถอนจิตออกจากโลกอันนี้นะพูดง่ายๆแม่จิตมันไปผูกพันอยู่กับโลกอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้ โลกอันไม่มีสาระแก่นสารนี้แต่ถ้าพิจารณาในแงด่ดีมันก็ดีโลกอันนี้บุคลบคลผู้มีปัญญาเกิดมาแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลเอาถ้าไปเกิดเป็นเทวดาไปาเกิดเป็นนาคเป็นครุฑเป็นสัตว์สิ่งห์าณฉาน ต่างๆแล้วเช่นี้ไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลแต่การเกิดมาเป็นคนนี่แหละต้องให้เข้าใจเกิดมาเป็นคนแล้วมันมีปัญญาเพราะว่าบุญกุศลนลหลังมันมาตกแต่งให้นะ จึงได้มีสติมีปัญญากลัวบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมโรคกันอยู่นี่แต่ว่าสติปัญญาอันติดตามมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีน้อยมันไม่พอที่จะช่วยตนในพ้นจากทุกข์ได้ดังนั้นจึงต้องมาสร้างเพิ่มเติมอีก จึงต้องมาสร้างเพิ่มเติมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็เคยพูดมาอยู่แล้วว่าเมื่อบุคคลได้สร้างบุญกุศลไม่เต็มเมื่อใดแล้วไม่มีทางจะได้เข้าถูนิพพานตามพระพุทธเจ้านะต่อมาได้สร้างบุญสร้างกุศลไปจนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั่นแหละ จึงจะตัดกิเลสขาดจากสันดานบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าและพระอาราหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านบุญละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานมากกว่าเมเินเมดตาย อยู่ในท้องหมาสมุทรทะเลพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะเออมันก็อาจจะเป็นได้เพาราะว่าสงสารสนิวาสอันนี้มันเป็นมานานนมนานกาเลถ้าเรานึกย้อนหลังคืนไปแล้วโอ้ไม่รู้ว่านานแต่นานไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้ว ม, มาเกิดในโลกนี้นะ อืมไม่รู้ว่าท่านผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาได้สําเร็จอรหัตอรหันดับขันเข้าสู่พระนิพพานนะโอ้ยมากมายกายกองหฮ่งเจ้าจึงเปรียบไว้เหมือนแยาว่ามากก็ไม่เห็นเม็ ด, มดตายท่านผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นสาวกบ้าง เป็นพระปรเจกบ้างอย่างนี้นะแล้วท่านดับขันเขาถูกอนิพานไปเยอยะแยะแล้วเราจะไปลังเลสงสัยทำไมโรคอันนี้เราไม่ได้อยู่จีดังยั่งยืนอะไรนี้เกิดมาอยู่โชคคราวหนึ่งแล้วก็ตายไปคุ้ใด้สะสมเงินทองเข้าคองไว้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรตายแล้วก็ สิ่งของเรานั้นก็ตกเป็นของผู้อื่นไปถ้าไปถูกคนที่ไม่ตานีเหนียวแน่นเขาก็ยังชั่วก็จะได้ใช้จ่ายเงินทองก้ของนั้นให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปถ้าไปเจอคนตาหนีเขาแล้วก็เอาแล้ว มีทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้อะไรมีแตห่หวงลูกเดียวตายแล้วก็เลยไปเป็นเปรตเป็นผีอดๆอยากๆกากอยู่ําปากเขาลำเนาไัยไปนู่นนะคนไม่ทำบุญนะเบงันเรื่องนี้พระพุทธเจ้านั้นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราไม่ต้องสงสัยหรอกถึงเราจะไม่รู้ไม่เห็น แล้วก็ต้องเชื่อพระปัญญา ต, ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอืถ้าไม่เชื่อพระปัญญา ต, ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เท่านั้นแหละอืมผู้ใดเชื่อผู้นั้นจึงปฏิบัติตามผู้ไม่เชื่อแล้วก็แล้วไปอืมผู้พูดอยู่นี่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลย เชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงค้นจากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิต่างๆวเูเนี่ยนี่อันมันทำให้คนเราเป็นทุกข์อยู่ในกิเลสเหล่านี้เองดางนั้นนะการเป็นนักบวชนี่ ท่าก็มีโอกาสที่จะลากกิเลสได้ง่ายกว่าผู้เป็นกลือหัดพอไม่ได้ทำไล่ไถนาไม่ได้ขอนขวายหาเงินหน้าทองไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนอะไรเลยตั้งสติสะสำรวมกายว า, จาใจนี้ไม่ให้ประพฤติชั่วไม่ให้ล่วงขอ้อศีลข้อวินัยต่างๆ เช่นนี้นะบุญกุศลมันก็ยอมเจริญขึ้นเป็นงานเดืองมา น, นะทุกคนต้องให้รู้ตัวนะรู้ว่าบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันยังไม่เต็มยังมีบวกคร้องอยู่อง น, นี่นะคิดได้อย่างนี้นะก็ลงมือทำให้มันมากขึ้นโดยลำดับ นี่สำหรับผู้ที่มาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้านะาพระเจ้าละราคะโทสะโมหะมานะที่ตีได้จริงจริงนี่เขาบอกอย่างนั้นเรารู้อย่างนี้นะแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นละตามด้วย ระราคะด้วยการเพ่งพี่นอาอสุภะกรรมฐานผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางอะไรมุนี่อย่าประมาทนะต้องมันเจริญอสุภากรรมฐานบ่อยบ่อยเพ่งร่างกายของตนและผู้นห้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไงามเต็มไปด้วยสิ่งโูโครกสุกปกต่าง ทั้งเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันโมนี้นะต้องมันเพ่งมันพิจารณาวิจารณให้รู้ให้เห็นก้นในใจแล้วมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีออกไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้ ผู้ดใดเป็นคนชอบโกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเลือนก็ต้องหมั่นเจริญเมตตาให้มากมากเพ่งเมตตาธรรมปรารถนาให้สัตว์หละเป็นสุขทั่วหน้าเพ่งเอาชนใจมันรวมลงสงบลงมันจึงมีประสิทธิภาพถ้าไปเพ่ง ไปธรรมดาธรรมดานี่จิตไม่สงบไม่รวมลงมันก็ไม่ได้อา น, นิสง์มากมายมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทำอะไรต้องทำให้จริงจริงการที่บุคคลจะกำจัดความหลงความมิผิดเป็นชอบต่างๆได้ก็เพราะการฟังการเรียนการจำอย่างที่ว่านั่นแหละ การไตถามท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อจนดูทำหลอกทำลาแล้วเรื่องใดๆถ้าอ่านไปเป็นเรื่องสาคัญเข้าใจไม่ได้ก็จำเรื่องนั้นไว้ได้โอกาสก็เรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็จะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังให้เข้าใจโดยเสแจ้งดันง น, นั้นคอยพากันลงมือปฏิบัติตาม ที่แนะนำสั่งสอนมานี่คิดพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นโยไม่สมควรเลยเพราะว่าโลกอันนี้มันไม่เที่ยงมันมีการพลัดพากจากกันได้อยู่ไม่ใช่ว่าแต่ละคนเราติดอยู่ต่อ รวมกันไปจนตลอดชีวิตท่วาทั้งหมดไม่ใช่แต่บางคู่บางคนก็อาจอยู่ร่วมกันไปได้จนหมดชีวิตนุ่นก็มีแหละแต่บางหมู่บางพวกมันร่วมกันไปไม่ได้ตลอดหน่อยก็มีอันได้พัดผากา ก, ก, กันไปก็เป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิบาตอันนี้ดังนั้นเนี่ยให้เตือนตนคิดพึ่งตนเอง ตนจะพึ่งตนเองได้ก็บพรทนละความชั่วออกไปจากกายวาจาใจนี้แล้วทำกุศลความดีให้เกิดให้มีขึ้นแทนความชั่วนั้นนั่นแหละเมื่อตนต้องการพ้นทุกขต้องการความสุขความเจริญแล้วไม่มีใครทำให้เราต้องทำเอาเองทั้งนั้น ถ้าเราเกียรขคานแล้วที่ไหนแล้วมันจะได้บ่เนี่ยนะมันไม่ได้แล้วเกียรข้านนะต้องอดต้องทนนะการประกอบความเพียรเนนะี่ยไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่ความหิวโหวยต่างๆไม่รู้อํานาจแก่ความอยากความหิว นั่นแีละการปฏิบัติธรรมหรือการประพฤติพรหมจรรย์มันถึงเปลี่ยนไปได้อย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะชีวิตมันมีน้อยเต็มเทียเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยอย่าอยู่ปราศจากความปราศจากสติ ต้องอยู่อย่างเป็นผู้มีสติะระลึกถึงความดีได้อยู่เสมอะระลึกถึงการกระฝึกตนทร ม, มานตนต่างๆหมนี่นะต้องะระลึกให้ได้อยู่เสมอดังนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่ง เราลึกเข้ามาหาความรู้สึกอันนี้อย่าเพ่งไปทางอื่นเพ่งเข้าไปหาความรู้นั่นแหะผู้รู้นั่นแหะอยู่ในท่ามกลางอกอนั่นแหละแก่นของชีวิตคือดวงจิตนั่นเองในร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธ า, า, าตุวิญญาณธาตุ ภาตุเหล่านี้มันก็แตกดับไปได้หมดอายุมันแล้วอเป็นอย่างนั้นเพ่งพิณานะดูสิมีอะไรที่ที่เราจะมาห่วงมาห่วงอยู่เนี่ยไ ม, ม่มีดังนั้นเราก็ตรงภาวนาเพ่งพิณาพงมันลงวางมันลงให้ได้อืมแล้วมันก็จะ ค่อย พ, นพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดับดังแสดงมา